ต่ววัดตัววัแล้วก็มบบน้องคหมาจากดูถรงสถาบันไปถึงคืนนี้ว่านี้ก็ไปแสดงทรมที่วัดสนามน่น่าก็เปิดงานเลนเทียนเทียนหลัมลก อ่ากับวันมาราภาพหลวงพ่อเถีอนวันที่สิบสามกันยานี่ก็จัดมีการปฏิบัติธรรมรวมกันตั้งพระสงฆ์คราวว่าเจ้าโยมแล้วก็ทางวัดโมกข์ทักงันเพื่ไปแสดงธรรมที่นั่นวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้า การที่ประชุมคระสงฆ์เพื่ววอวางโปรแกรมในการปฏิบัติธรรมประจำปี 5.2 ตาม <c oughs> จำนวนต่างๆให้เป็นไปควรเรียกว่างานเพลง ไม่ต้องกระโดดมากนัดในจังหวัดต่างๆที่ตามสถานที่สามารถกระโดดามอยู่ก็ร่วมกับหมู่คณะมีส่วนร่วมบ้างหันประชงกันอยู่ น, นิดๆในเรื่องที่เป็น เราที่ควรเชื่อเขยประพงก็เลยมาถึงที่นี่เมื่อคืนนี้อวรมณ์ธรรมรัตน์นอนกับหูวสองหัวโยงที่สุกโตก็เกิดการหัวใจเดียวกันหัวอนเดียวกันปฏิบปธธรรมต่างชิดก็มาในจุดหมายเดียวกัน มาเป็นงานเดียวกันมาปฏิบัติปฏิบัติคือจเจริญสติมาถุงว่าต่อเอาสติไปเป็นกายกายก็มีจริงสติก็มีจริงไม่ใช่รูปคํานั้นตาบอดคำเชื่องเราไม่ใช่ตาบอดตาไหนเราไม่บอดดังนั้นว่าตาเนื้อมันบอดแต่ตาในมันเห็นกาย กายทีมันแสดงออกทางใดมันจะหลอกเราเราเห็นมันแล้วก็ทําไม่แจ้งอากายสวภาวะไม่ได้จัดบุคคลโตตนเราโขไม่เห็นช่างเหมือนตาบอดเหมืนขาช่างก็ว่าเหมือนกับเสาเล่าคือคานวณคือเอาเอาเหตุเอาผลเพราะตาบอดมันอยู่กับบ้าน คำเอาอยาเขียนอะไรรู้อะไรเอามือคำเอาวาดเป็นอย่างนี้เล่าเป็นอย่างนี้วาเล่าไป็นอย่างนี้กระด้งเหมือนอย่างนี้เราเลือกขี่บไปตามเขาเราไปคำถูกข้างของช้างก็ว่าช้างเหมือนฝาเล่าเหมือนยุ่งเข้า ก็ของเธอผู้ก็โอเชียงเหงือนกระด้งแต่ว่านั่นคือคนตาบอดถ้าคุณตาแดงก็มองเห็นช่องว่ามันเป็นยังไงตอนมีสติสำฉันละที่มองเห็นกายเป็นยังไงกายในกายเป็นยังไงก็ตอบตัวเองไม่ต้องคืนไม่ต้องหน้าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีคำพูดจากนั้น มาได้จะเป็นหน้ามันมาน้าจะเป็นหย้านี้ไม่ควรพูดจากนั้นว่าว่ามันเห็นเห็นจนขี้ได้ว่ากายสวรรคา์มัจะลงไปเป็นตัวเป็นตนนกาเป็นสุขเป็นทุกข์ในกาไม่ใช่ความให้แย่งลูกแย่งแล้วถูกแย่งในกายแล้ว ที่มันเป็นยุ่นเป็นก้อนที่มัาแสดงออกมันไม่หลบซี่อะไรมันเปิดเผยมันมีที่รับถึงที่เราเห็นมันมีร่งนั่งอยู่นี้มันก็มีกายนั่อยู่นี้ก็มีภาวะที่รู้ที่เห็นการรอบๆ อ, อยู่เราดูจุดเดียวมันเห็นหลายอย่าง เหมือนมันมีข้อมูลอยู่นี่แล้วกอนแน่ข้อมูลในกายในใจในอะไรต่างๆอาจจะผิดเหมือนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลผิดก็แจ้งออกไปทางที่ผิดถ้าเราเห็นมันผิดเราปิดได้เหมือนเราดูโทรทัศน์เรามีาทีโกรดปิดได้ อาการเราคิดไม่ดีอันที่บางเจาะออกมันตัวหลงเป็นไงตัวทุกข์เป็นไงตัวสุขเป็นไงล้วก็เห็นสัมผัสดูไม่ถูกต้องมันหลงเป็นไงตัวรู้เป็นงไงไม่ถูกต้องเราเลือกได้ผิดได้เมื่อมันหลงอ่ะทํำไงต่อยอดความหลงให้เป็นความรู้ได้ได้ประโยชน์ความหลงได้ประโยชน์เป็นความรู้กันมา เวลามันหลงเวลามันทุกข์อา้าวตัวยอดเป็นตัวลูกไปเลยเนี่ยมันทําได้ปฏิบัติได้อย่นี้เมอมันทุกข์ต่อยอดเป็นความลูกไปเลยเนี่มันทําได้เรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้อย่างนี้ถ้ามันหลงหลงไม่ช่อยไม่เช่วปฏิบัติแต่ปฏิบัติที่จะเป็นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ ตป็นไปเพื่อควงสงบเป็นไปเพื่อปินผ่านมันอะไรมันดับทุกข์มันหลงมันหลมอยู่เหลือมันทุกข์มันทุกข์กอยู่เหลือเป็นไปเพื่อปรีนผ่านมันหมดปีนี้อย่างจึงจะเปนของงานเป็นมรรคเป็นผลอย่างเล่าสวดอ่เพราะสงฆ์กดจากพระเสดรจทำในการปฏิบัติต เป็นต้นนับเรียงตัวบุดใต้แบบบุดเป็นคู่สี่คู่คู่สีค่คู่คือใครหนึ่งรักสองผลรักอย่ตรงไหนรักคือดูมันรู้อยู่เนี่ยมันไม่หลงอ่ะเมื่อมันหลงเอาความหลงเป็นลู้เป็นตัวรู้เป็นผลขึ้นมาอะเรียมมักระเรียบผลหนึ่งแล้ว มันทุกข์เรียงมาเห็นเห็นแล้วเปลี่ยนตทุกข์เป็นตัวลูกเออ่เรียงผลโสดาปฏิมัติโสดาบีผลเกิดขึ้นตรงนี้อ้าวมันหลายหลายอย่างเราจะเปรียบเทียบเป็นเครื่องมือเวลาโกรธเกิดขึ้นหลงโรคโกรธหลงเกิดขึ้นถ้าโกรธ รยเปอร์เซนหรือว่าเป็นกุุ้ชนถ้าโกดมีสติรู้สึกอาจจะเกิดห้าเปอร์เซ็นตเป็นอาเียมักเป็นโสดาปุมากได้ไม่ร้ยเปอร์เซนไม่หลงจนน้าตาล่วงโง่จนหมดตัวความอยของโกดหยุดลงได้ไม่มากเบบางลง เป็นโสดาะดิมผลโอ<ฮ>ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มากเพราะมันมีมันเคยชินเหมือนแม่เลี่ยงลูกลูกวิ่งมาหาโอบลูกด้วยท่าทางที่ไม่ต้องเก็บเพราะเคยชินต่อกันโอบลูกรอบลูก บุกบันเร่งมาไม่รู้ว่ามันจะเก็บปีปวดเลยแต่เราผู้รับต้องุ่งมมวลอะไรที่มันเกิดขึ้นฟังหูไวหูไม่ด่วนรับไม่ด่วนเจ็ดโสดาปฏิสจีทาคามิมักทำแรกห้าสิบเอร์เซนเกี่ยวกับความสุขคมทุกข์ก็ดีห้าสิบเอร์เซ็นตโสดาอัศติคามิมัถทาไม่ได้ระเบบนิน ในความทุกข์ก็ดีความปว ก, ก็ดื้อไม่หนักไปมากก่ก่อนถ้าเป็นนั่นหนักแต่ก่อนเคยร้อยร้อยร้อยเบิกอยู่บนขวอนหนักร้อยกิโลโอ้อจกวางลงได้ห้าสิบกิโลเบาวกาว่าก่อเอ่อโสสกีทสะสกีทาคาม้ผลเอ้าทุกข์หรืออะไรที่มันตรงมันแต่งเป็นสังขารเกิดขึ้นเพราะมันเตียงอยู่แล้วํำนาญแล้ว อาณาคามักยี่ห้าเปอร์เซนเท่านั้นเองสังเกตได้ไงสังเกตได้การกระทําของเราสัมผัส ด, ดูหลงนิดหน่อยเป็นไอหุ่นปวดทุกข์นิดหน่อยเหมือนไอหุ่นเหมือนฐานที่ดับไม่เย็นดียังอุ่นอยู่แต่ว่าไม่มีพิษแล้วนี่เหมือนกันเป็นอาณาคามีผล จนมันปกติได้เลยเป็นอาณะอาบนอาหารแต่มักอาหารตะผลไปเลยสัมผัสได้ที่จิตใจที่เราฝึกผลตนเองมันไม่ต้องรูปคำมันเป็นไงมันร่วงภาวะเก่าได้ไงเราหลงกับรูปมันเป็นไงสมานเรื่องได้ไหมฉันเห็นมันตามความจริงเนี้ยไม่ใช่หลอกตัวเอง อย่างพระพุทเจ้าจนะดรงทำ่ะในธรรมจั ก, กรกวัตตสูตรที่เราได้สวดกันนะโดยเปนภาษาบาลีน่าจะได้บรรลุธรรมแท้ๆถ้าว่าเป็นภาษาที่เป็นนักปฏิบัติที่มองเข้าไปจริงๆนะชี้ให้เห็นอะไรถูกอะไรผิดอะไรทาง การบรนโยโกหีโนกัมปูปุตจโนอยโยอลาวิคบโกเป็นไปเพื่อความอะไรเป็นไปเพื่อความต่ำเป็นไปของปุตชชนหิโนกัมโพต่าสามความโลภความโกรธความหลงความหมกมุ่นความิดจงเอาความโลภที่เดตนหนาเป็นไปเพื่อปุตชชนหิโนกัมปต่า เป็นนักปฏิบัติเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นผู้ที่อยู่กับโลกจะให้มันจุ่มอยู่กับความต่ำไม่ควรเสดไม่ควรคองเสดอารีโรยิโรเป็นไปเพื่อความลำพิษอะไรตัางอะไรเออเนี่ยวนทั้งไม่แช้งใยหยาดเงิ ออู่ทางขวาปดาพิกเบย์ไมารูอ่ะใ <c oughs> จ ย, ยังยังสมณทิติสมากัมตาสมาทิทาาตททิคืออะเนี่ยลูกอยู่เนี่ยไม่มีใครหลอกเราเลยเราเราก็หลอกไปละเกิดขึ้นเราลุกเอาลุนสว่างขึ้นหน่อยเห็นทิศเห็นทางเห็นตัวหลวงเห็นตัวลูกเอมื่อเห็นเราก็มีการกระทำในตัวให้จเจริญไปเรื่อย ไม่ใช่เห็นแล้วไปยืนอยู่เหมือนเราเห็นงูเนี่ยไม่เห็นแล้วก็นีโอกจากงูตั้งขู่พลังทุกขังอาศัจจังปัญญาญนติปิเกเวอุตัปปะออะไรตั้งขูจากะเต็งขูอะนจิตตุอริโยที่ขังขู่ คือโบกขึ้นบอกอะไขึ้นมันหลงเอาขึ้นไปไม่ครับเราเป็นเจ้าเรือนแล้วจาโคทําให้มันอจฉละไปสละขึ้นโบกขึ้นแล้วสละด้วยไม่ใช่โบกขึนสละด้วยมันสัมผัสกวมหลงสละออกแล้วสัมผัสความทุกข์สละไปแล้วสัมผัสกับกิเลสตันหาสละออกไปแล้วจาโคสละขึ้น ปฏิบิษฐ์โขทำไม่ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งฮะของกิเลสตัางหาเพราะสติสัมัาจะเป็นเจ้าว่านเจ้าเรือนเก้าอี้ใบเดียวนั่งอยู่กอดจะมานั่งมาได้ไม่ทำให้มีที่ตั้งความโลภโกรธหลงเจตตัางหาเบาบางจางหคยลงเพราะไม่มีที่ตั้ง เห็นน่ะเห็นกายจักระกายเห็นเวทนาจากักระเวทนาเห็นจิตจกักระจิตเห็นธรรมจักระธรรมมันตั้งตรงไหนล่ะไม่มีทห่ให้ตังางจะโกฏินี้จะโกฏิ า, างขายอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตอนโขไปตั ง, งทุขังสมุทิยังปัญญาปัญญาปัญญาอัาานใดตั้ง ทำใม้แจ้งแล้วทำให้หมดแล้วเหตุมันอยู่ตรงไหนสมุทัยคืออะไรคือตัวหลวงเหตุมันอยู่ที่ตัวหลวงสงมุทิโยเนโคจาวโคมโกเหมือนกันทำใม้แจ้งแล้ว เ, เหตุเนี่ยทำเลยแล้ว เมื่อเห็นแล้วก็ทําลงไปขนาดที่เห็นวันเราเห็นงูนกระลิกกันลงไปขนาดนั้นปฏิณิตนนะโกจนงูก็เป่าไก่กันออกไปได้ทําแล้วทําได้แล้วพ้นไปแล้วเหตุก็พ้นไปแล้ววิธีที่โจกับเหตุออกไปวันที่ทํางานทําให้เจริญแล้วทําให้แจ้งแล้วนี่โหลโทรนิสตะโจจาวโขมุติอนาฏิโยเหมือนเดิม อ, อีกไม่ม <laughs> ีที่ตั้งเลย อุ้ยสะดวกดีนะเอาชนะตนเด้งน่ยไหมมันจะดวกกว่าชนะคนอื่นแตชนะคนอื่นเราขึ้งวันหนุนไม่เท่าชั้นหนุนก็เดียวเลยพุนเจ้านน ข, ข, ของสันเถิอัตตาหะเวชีตังเฉยโยจ้าตนตั้นประเสริฐคือชนะอย่างนี้ไปช่วยโดยชนะด้วยกัำพูดจีดาบาาันาอดเอาอันการรวยกําลังมังชาสตาวุธเหมือนคนไทยกวนเอาชนะกันด้วยเหตุ่วยผลเลยต่างๆอะไรมากมาย น่าจะต่อยอดได้เกิดประโยชน์ต่อยอดตรงไหนเพราว่ายันจะติดเกอร์ติดกระจกรถเราทำไมตรองหัวใจนักหนายหลวงต่อยอดใจ่หน่อยได้ไเรารักหนายหลวงปวงบุญชาสามาัคคีเข้าไปเลยต่อยอดแทนเลยอย่าเพียงเท่านั้นไม่พอเรานักนหลวงเป็นคําพูดเป็นความพูดที่เป็น สมตนไพรหยัดญญขึ้นมายังไม่ปฏิวัติพวงบ่อชาสามัคคีเข้าไปให้มันได้ยอดจากมาม่วงพันกล้วยนั่นเป็นพันอะไรดีๆไปให้มันดีกว่าเก่ารสชาติกว่าเก่าสามัคคีมันมีรสชาติในตัวเราน้น็เหมกันอะไรมีสามีมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ร่วงรวยเยอะแ ย, ยะไปมเลยมีสติอย่างเดียวสองนาทีมาเยอะแย ะ, ย ะ, ยะ <c oughs> สองนาทีคุณความรีโกศลุต่ำทั้งหลายเกิดขึ้นความอดทนก็มีถ้ามีสติความแม่ตากำ น, นาก็มีถ้ามีสติถ้ามีสติก็ละความชั่วถ้ามีสติก็ทำความดีถ้ามีสติจิตบริสุทธิ์มาเป็นพวงเลันไม่ยากยากจริงๆมันปฏิบัติได้เป็นให้ผลได้จริงๆ พักทำเนี่ยไม่ลี้ลับซับซ้อนเป็นหน้าที่จะต้องศึกษาให้รู้อย่างนี้นะชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่รู้อย่างนี้เกิดมาทําไมอ ะ, อะไรเสียชาติไปเลยเราจึงมาเพื่อการนี้โดยตรงพราแม่ให้เราเกิดมาพ่อเราแม่เราอาจจะทํำมาได้ถ้าเราไมา่รู้นี่โอ้ยมันเลยนนี่จริงๆน้อชีวิตของคนเดา เพื่จะประเสริฐมันตรงนี้ชีอของคนเราก็าไม่มีตรงนี้หรอเร็วกว่าสัตว์เพราะอะ่ะเพราะมีสมองมีทุกข์มันจริอตันนะหนัตกนรกโบกไม่เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เลี้ยงฉันมีปัญญาเขี่ยโสร้างอาวุธไปประดับประหานกันเกิดทําลายกันขเขีนฆ่ากัน เอาผลงานอย่างภาคใต้เวลาเนี่ยผู้ใดฆ่าคนได้เป็นหลายวันถือว่ามีผลงานให้เกิดขึ้นทุกวันแต่เป็นการสอนกันที่เกิดจากสถาบันศาสนาเขาให้ข้อมูลมาสอนกันผิดผิดแล้วเบิดเกิดอยู่เที่ยงตรงกันเองแต่ว่าไม่ยินข่าวก็แค่นั้นมันไม่น่าที่เป็นอย่างนั้นนะ ถ้าชีวิตของคนเรามันน่าจะมาช่วยกันนะให้สงสารเราดูเราดูใจน่าสงสารนะสงสารคุณเจ้าจะมาเห็นรูปเห็นนามเนี่ยฟาโตุ้ดโถผุดโถรูปนามไายใจไม่ช่วยกันเลยไม่ไจ้เบียดเบียนกัน ที่อยู่ด้วยกัน เ, น, เ น, นีเ่นเน ย, ยเบียดกันใจเบียดเวียนกายกายเบียดเบียนใจไม่มีควรเป็นธรรมเลยชีวิตของคนเราเนาี่ยเพราะมันมีอะไรหลายอย่างมีชีวิตต้นามีความโลภความโกรธความหลงเป็นละกาอะไรต่างๆเป็สุขยที่มันโกรธกวนู่เสมอในชีวิตเราองค์ขมว่าฝันกลางวันว่าคิดหมกมุ่นไยใน โลกที่เป็นรสชาติของโลกสุขบ้างทุกข์บ้างติดอยู่วิาณควาสุขติดอยู่วิญญาวามสุ ข, สขพอใจในความโกรธพอใจในความทุกข์อาอยื่นอะไรมาก็เอาเลยนะมันน่สงสารพอเรามีสติแล้วเป็นชจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้หน่อยค อ, อยดูแลกายใจให้ ไม่ดีๆอย่าให้มันซุกหี้ลุกลลนเกินไปมานจะวางกของหลงมันมีก็สอนมันจะรู้จักตัวเยี่ยมได้เวลามันหลงเยี่ยมได้เ ม, มื่อภัยมีมีก็อดทนได้เมื่อมีมานมีภัยมาไม่มีปัยมีไม่แช่ อย่างพระโพ ธ, ธิสัตว์ไปใช้เรื่องง่ายที่เป็นโพธิสัตว์มีแต่ความทุกข์ยากความลาบากอย่างเจง้าแม่กวนอิมควรจะเป็นพธิสัตวได้ต้องตอ่อสู้เลยบ้างพระเบชันน์หลอนกว่าเป็นพธิสัตวได้ต่อสู้อะไรพระจิทตะตะคว่าชเปนโพธิสัตวได้มีอะไรผ่านมาในปฐมว่าโพธิการได้ปฐมสมโพธิ เราทำเราไปเรียนดูอ่านโอ้พระเอกนางเอกต่อสู้อะไรจริงพระเอกได้เป็นนางเอกได้คนนองจะผ่านพุนจะโลกคือความดงของควมเป็นคนควมร่าคุณดีมาเป็นมนุษย์ได้มันต้องผ่านอุปสรรคท่างหลายมาถ้าไม่เคยผ่านความร่าความเร็วแล้วไม่เป็นมนุษย์ได้ ความหลงทงเราเป็นมูดได้ถ้าหลงเป็นหลงเป็นคนล่ำไปตกรุลกออกไปถ้าทุกข์เป็นทุกข์ก็กลายเป็นคนเหมือนเดิมเป็นพุพเป็นภูมิไปเรามาจึงมาเปลี่ยนเนี่ยมาพาตรงนี้ไปพาความหลงให้รู้พาความทุกข์ให้รู้พาความโกรธให้รู้กันมาแล้วใครช่วยเราเราต้องช่วยเรา เราก็มีเวทีมีสถานที่มีเช่ น, นเอาอเอาเลยเชียร์กันเป็นเพื่อนกันเราเชลียร์กันเอาเลยเอาเลยน่าจะอุ่นใจไม่เกี่ยวเดียวได้ไม่ใช่เราคนเดียวเสียแล้วผมทุกข์ก็ไม่เฉลีวยวคนเดียวมีคนทุกข์เยอะๆคนที่ไม่ทุกข์ก็มีอยู่ว่างแ ไ, ไม่ใช่มีไม่มี เราก็มีอยู่ในตัวเราถ้าเกลียดเทียบคนอื่นเราก็นี้แต่น้อยก็มีสาวซาดามีพระสงฆ์มีสาวกบมีคนดีในตัวเราก็มีไี่มีคนหลงก็มีคนามรู้อยู่ที่นี่แล้วเมื่มีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ที่นี่แล้วไม่มีความโกรธก็มีคนมไม่โกรธอยู่ที่นี่แล้เห็นไหมเห็นไหมมันเกิดขึ้นเพื่ออะไร เราจะต้องแพ้เลยไม่มีชัยชนะเลยให้มีคำพูดออกมาสักคชนะชี้ตังเลยชี้ตังเลยชนะแล้ชนะแล้วมีเด้พ่าแพ้บาลาศิลบาลชิกบาลชิกเนี่ยคือไม่มีโอกาสรลุธรรมาลยบาชิกถค่เป็นภาษาพินยัย ก็เป็นเรื่องอะไรแต่ปาระชิกเป็นภาษาธรรมธรรมะวินัยเนี่ยให้เพือะไรมะไมาใช่ไปเสด็จในสุนไปฆ่าสัตว์ไปลักไปฆ่ามนุษย์ไปรักของเขาอุดอุตะลิมนุษย์จะทำอาณาก็ทําไม่ต่างวินัยร้วนๆแต่ธรรมะวินัยคือละเอียดกว่านั้นปรับแม้กระทั่งความคิดเลยวินยัยแท้ๆปรับเฉพาะคำพูดปรับเฉพาะกายตายนอกเท่านั้นแต่ใจนั่ะ ไม่ได้ปรับเลยคนไหนก็เหมือนกันไม่เคยปรับใจไม่เคยลงโทษตังใจได้แต่นี่เขมีกดก็มีอะทั้งหลายความมามามาศึกษาเรื่งใจมีมาแล้ว <c oughs> แต่อลรมตาประโยชนสารนะนั้มีานายแพทย์คนหนัง่งไปซื้อ เขนหาัดใจให้พลังเช่เาเอาผู้เจ้านอยพลังก็เช่าแต่เขาสะดุดประตูล้มลงไปเมื่อเขาตกได้หน่อยเขาฟ้องประกันมีคนทุกคนต้องมีประกันสังคมถ้าเปเจฉะนั่นลำบากคนที่ประเทศที่พัฒตาแล้วเดท่านายมีอาชีพที่ เจิญที่สุดร่ำรวยที่สุดแล้วพลังล้มลงไปหัวเข่าฉลอกคนที่หัวเข่าฉลอกเขาฟ้องประกันให้มาดูเราประกันก็ลื่นมาเอารถรับมาลับไปลงไปาบานไปตามแผลแล้วก็หายคนที่เจ็บพลังฟ้องประกันอยู่ไม่ใช่แผลมาหายแต่เจเราไม่หายเลย ยังซ้ำใจอยู่ ต, ต้องเราต้องเลือกลองความทุกข์ใจของเราหนึ่งแสนบาทประกันก็เลยจะวิธีกฎหมายางานน่ได้เอามาเชื่อใจของคนนะ่ะก็เลยมาฟ้องเจ้าบ้านเจ้าของบ้านว <c oughs> ่านี่ทำบ้านไม่ดีให้คนมาอยู่ ไม่ปลอดภยต้องรับผิดชอบเจเจ้าของบ้านก็เมื่อวันเขาบอกว่าเขาหกเล้มที่ประตูตรงเนี้ยมันสะดุดเขาล้มลงไปเขาชะลอกเอาไปหาหมอรักษาได้แล้วเจ้าทุกขเขายังมาหอมเขาว่าเขาเสียใจเราเลืรอมกันหนึ่งเสียงแบบต้องเงินไปเสียเงินเลยขอหนึ่งเสียงแบบ เมื่อข่านะั่นเขาปรับใจแล้วตัวงานนะต้องมีทนายแล้วถ้าหนาวได้เนี่ไม่สามารถที่จะอะดรแ ก, กลง้งอ่อสิ่งที่่างทีมันก็จนเจอเอา้าต้องปรับตัวเรยนะเนี่ยมันจึงจะจบสิ้นแต่กฎหมาก็มากันรับทำธรรมนุนเข้มามันบางทีล่างขึ้นมาบางทีจะแค่ทะเลากันเต็มบ้านเต็มเมืองเป็น ความไม่เป็นธรรมภายนอกเราต้องสร้างความเมตามให้แก่เราก่อนถ้าคนในเมตตาคุณาจะไม่ชิดอย่างนี้อย่างเราเนี่ยหัวเขาแตกก็เอายาเดายาอะไรมาทาแล้วก็แล้วไปไม่ต้องร้องร้องกันนะเดี๋ยวนี้นะต่อไปคนจะหมุนนู่นคุณคิดแต่เรื่องอย่างนี้ไม่รู้จักกันแล้วเอาต่อไปเดี๋ยวนี้ก็มารู้จักกันแล้วพี่น้องมารู้จักกันแล้ว ไม่เหมือนสมัยโบราณอะไรก็เปลี่ยนไปลูกของเราทุกวันนี้ไม่เหมือนเราเป็นลูกของพ่อของแม่สมัยก่อนห้าสิบหกสิบปีต่างกันยี่คนละโลกเลยอะไรก็เปลี่ยนไปทุกปีเดือนเสิอนหากันยานะจะมีจวงอ่างล้ง เลยลอยล้องแข่งกันจังหวางก็ล่องเสียบเดียวกับเลยเลยถ้าเราหัดฟังดูก็รู้เดี๋ยวนี้ไม่มีชังอวางก็ไม่ล่องแล้วก็ตุ้งนายสะก็ไม่ล่องแต่ก่อนเดืาเดือนเนี่ยตุ่มตุ่มนายสะนกกรเต็นก็ล้องแค่ภาพแค่ภาพดินไปก็ตอนไม่ขอบจะ เวลาบินออกไปก็แชร์ภาพแชร์ภาพไม่มีแล้วนกระเตนไม่มีแล้วโนกก็ปูกก็ไม่ร้องแสงเสร์ก็ไม่ร้องฟังเสียงไม่ร้องกัโลกก็ไม่ขันอะไรมันเงียบไปหมดเลยโซโปโนก็หมดไปแล้วในพุทธสกโตูเนี่ยแต่ก่อนโซโปโนบอกเวลาถ้าโซโปโนร้อง เวลาใดก็บอกถูกต้องนั่นเองไก่เขาขันเป็นเวลาเดี๋ยวนี้เสียงไก่ไม่มีได้ยินเลยเธอไปคนจะพูดกันเลยหมอกวนคนคิดเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปยงเยอะเธอจังเตรียมให้พร้อมยิดของเราหันมาดูแลตัวเองให้ดีๆเพื่ออยู่ในโลกของเขาเพื่อความปลอดภัยของเราโลกมันดูดลาดมันมีรสชาติเหมือนเสือ แต่เสือบันไลยมันไม่กัดคนเราจะไปฆ่าเสือทั้งป่ามันไม่ได้เราต้องมาดูแลตัวเราให้ดีปฏิบัติธรรมเนี่ยทันสมัยที่สุดแล้วทันสมัยมากโลกเขาจะเป็นยังไงธรรมะของพระเจ้าเป็นอาการิกธรรมปฏิบัติได้ให้ผลได้ถ้าพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์ ส่นที่เราจะหลงไปตามโลกมันมีรสชาติมากมายช่วงนี้แต่หลายประเทศชาติก็ะทะเลาะกันสร้างอาวุธ อ, อเไรต่างๆเยอะเพื่อประหารกันสมองเขามีเขาคิดได้เขาทำได้แต่สมองแบบนั้นนะมันเกิดสันติสุขสันตภาพไม่มีเ น, นตากูนะไม่จะเขียนฆ่ากันไป ถ้าเรามีสติมันเกิดคุณธรรมขึ้นมาเ ป, นเป็นเช่นเบจมารีเป็นบรร ญ, ญาเมตตาคุณาขึ้นมาไม่ได้คิดอะไรไว้จะช่วยกันผลที่เกิดจากการเจติติเกิดเป็นสิ่งเป็ร่มที่ดีขึ้นมาลายนยะเราจะมาศึกษากาประมาทอย่าปล่อยวางเวลาให้่านบป อาการกาวาจาอย่างอื่นที่เราต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ยาหลงองพางสรรเสริญล้อยคนผคน่อนคนยาเพิ่งเตืองยินดีท่านนี้บัณฑิตตอานนี้ตีเตียนคนเดียวนี่หนูฟังให้ดีบัณฑิตจิดที่ใดคนพานอยู่ที่ไหนทั้งภายนอกภายในของเรา คบบันเด็ดคบความรู้สึกความเลิกได้คบอความเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อเย็นให้เราเสีก่อนถ้าเราเย็นแล้วคนหนึ่งก็อาจจะเย็นไปด้วยโลกก็เย็นไปด้วยเวลาไี่โลกมันร้อนเพราะเปลือเนื้อของคนเราทํำคนเดียวไม่ได้จึงมาชวนกันมาตั้งสานักขึ้นมาชวนกันชวนกันมาเถอะกที่ใดมาจากไหนเป็นคนนะเดียวกันโฮกเดียวกัน อย่าทะเลาะวิวากกันเขาะเชื่อฟังทำอันเดียวกันอย่าขัดแก้งอะไรสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งล้มให้ดีถ้าที่นี่สร้างเป็นภูเขาเงินภูเขาทอ ง, ทองเป็นสีทองสีเงินจะเป็นสีดำสีมืดบรรยากาศท่านเ ง, งางามองหน้ากันก็เย็นใจฟังเสียงกันก็เย็นใจอะไรเห็น สียาไม่ยากก็เย็นใจได้เราต้องช่วยกันหลากๆอย่างตอนนี้เไปเที่ยวรัชสมหนก็คนปฏิบัติไม่มากคน อ, อยู่โรงหนังโรงละครมากขาวบานในคับมากจะเอาอย่างไรพวกเรา ช, ช่วยกันนะอารมณตาก็หมดสภาพแล้วก็ อ, อาศัย ที่พูดนี้ไม่เชื่อเป็นอาจารย์เนิ่งใหญ่มาขอพิ่มฝาใสพวกเราให้ช่วยกันช่วยกันอ้นอนวอนมาช่วยกันเถ อ, อะก็อย่างนี้นะอ้าววันนี้ก็สมควรเจอเลาละถ้าเรากลับพระพร่องกัน